ในข่าวว่าอปฏิวัติอกันปฏิวัติคณะสหารคณะปฏิรูปแล้วะต่สมานุนอย่างนี้ที่หลังปฏิวัติเ น, ตตนี่ยบ้านเมืองในการบริหารบ้านเมืองมันบริหารผูกบริหารคนบริหารข้นบริหารทรัพย์สินบริหารกิจกรรมของบ้านของเมืองทั้งหมดจะผููบริหาร ต้องดูแลเม็ดดูแลทรกพย์สินดูแลกิจกรรมกิจกา ร, รดูแลผู้คนประชาชนสมาชิกนั่นเป็นนาทีของครูบริหารแล้วบ้านเมืองเนี่ยต้องคิดว่าเขากับพยัญชนะไปดูแลตั้งใจดีนี่แหละแต่ละผู้แต่ละคนที่เขามาเป็นรัฐบาลเนี่ยแต่ละคนก็ต้องตั้งใจดีโดครวมน เ, นนเนี่ สามารถของเจ้าของนี่แหละขบบอกคิดเลย ว, ว่าผู้ได้สิความสามารถโดยคิตใจสุจริตมีความอยากมีความพดความโปงนะเขาบอกคิดแหละบอกคิดว่าต่างค์คนต่างค์จะเป็นประชากรใข่ร่วมกันมีความคิดอ่านดีต่อสังคมต่อบ้านต่อเมืองเขามากแต่ว่าการทําของเจ้าของเอาตังค์ไปดีจะถินเจ้ว่ามันจะมีปัญหาหลายในบ้านและเมือง การเท่าสั้งใจดีแล้วประเทศมันยังบอดีเต็มทีมันก็แปลว่ามันบอดีเด้มันกับอะไรคนดีเทาคิดว่าโอ้เฮ็ดดีแล้วหลายอย่างทีมันไปกระทบกระเทือนด้านอื่นมันกับบดีคือกัรเท่าสิดทางบ้านแตนเนื่องนี่แหละแตงเท่อนเท่าะเนื่นเท่ากําลังฟูกําลังโดกกําลังห้างแต่เอามือไปซุ่นแล้วพุนก็ไหวตรงเต้งตรงเต้งสิลมเฉยๆผ่านบางคนเขามา เอาไวสิสมบานสมเมื่อนดย่เอาใหม่มาไต่เอาตะปูมาตอกตอกแห่งโปดตอกแห่งโปดจะด้วยความปรารถนาดีนั่นแหละจิตสมบานสมเมื่อนให้ดียิ่งอ่ะตอกแห่งเพิ่มเพิ่มเมื่อเมไปเลยบานเลยลมเพิ่มลงมาเมืบังที่สั้นแค่ี้หมายก็คืว่าความปรารถนาดีคือบอบประพวกรดปัญญาบอประพวกรดความพักครอบรอบด้านก็บ่สามารถใส่บรรลุผลสมปรารถนาได้ด้วยกัน นะมีบ้านเมืองเขาสิบยูจังไรต่อไปแต่ที่นีอยู่ดอกคนภูมีบุญคนภูมีความรู้ควาสามารถแต่ที่นีอยู่ดอกในประเทศไทยเนี่ยบ่มีแต่ห้าดอกคนที่มี่คมรู้ดีมียูแล้วก็เป็นคนไทยคือกันมีความปรารถนาดีคือกันแต่ทีนีอยู่ดอกเพราโดยเฉพาะใส่ใจบุญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี่ มันเป็นยุบบุญยุบหนีผ่านเมืองเฮาโมไม่สิเป็นยังดอกพราะสิเป็นยังแค่หน่อยกันอะไรมันปวเขาา่าขาป่ดเข่าที่มล้วมึิแกค่อยๆรับสุงสัวเองสีไข่ตัวเองไปตามวิสัยของบุญทั้งหลายเเพราะฉะนั้นเั้งหมดคิดชื่อกันเนี่ยคิดบุญไปไหลายๆถ้าบุญต่างบุญไปไหลายๆสันนันนั้นไม่สิเป็นบุญเรเฮ็ดโลดยราจะไปดีว่ามันหน่อยมันใหญ่เฮ็ดบุญเนี่ย การเฮ็ดบุญไหว้หลายแล้วกันย่ำใดเข้าที่เป็นไปชั่วที่เป็นบอดีที่เป็นเดือดร้อนมันถิมมาแก่เลยบุญถิมาซอยถิมมาซอยแจกซอยไข่เองดอกอันมันโอ้ยทีเป็นสัญญาต์แล้วนาะบางอย่างที่โบมีทั้งไปแล้วนาะมันถัมีทา้งออกเอนั่นแหละเรียกว่าบุญซอยเข้าสร้างไว้หลายบุญสําหรับปวกเข้านะ่ะสําหรับประเทศไทยบุญสางไว้หลายแล้วล่ะนี่ธรรมหากริชั นี่พระเจ้าท่านดินนี่บรรพบุรุษของข้าวสางบุญสางผู้สนไว้ในปืนที่ดินประเทศไถ่เนี่ยหลายเพราะฉะนั้นบ่ลมดอกประเทศไถ่เนี่ยมันสิลมแต่ที่นี่ผู้มาโจมอยู่อันนี่อันเท่าเป็นตะซ่าช้นที่ดีอันเท่าใช้ย่ามล่างโนให้เป็นกลางๆไว้ใน้ตั้งข้าวตั้งยังมา ก, กันรับไว้พิดจร ะ, ะนาบาวบ้ า, านรับหมูรับสาเด้อ สร้างหัวมันห้เสียใได้กับามมเป็นเรื่องของเขา้าโบแมนเดียกันให้รับฟังไห้แต่กระยาเป็ผนผีผู้นั้นผีผู้นี่ให้คืดให้มันเป็นบุญเป็นกลางกลางไหวว่าผู้ใดที่เขามาเฮ็ดยังนี่ก็ด้วยปารธนาดีทั้งนั้นหละเป็นสี่งแหลนะะอธิษฐานบาโอ้ยตาจูาแม่ขอให้เล่าเฮ็ดไปได้ท่วมํำเลยเฮ็ดไปได้ท่วมดียาให้มีอุปสรรคหนังขอให้เฮ็ด ส, สืกแจ็ซองไปทีอยังที่แน่ีแม่ บานเมืองเชียงี่ด้ยเย็นคิดว่ายัางสั่นระยะหนึ่งะเทืชาติบานเมืองมัะเดือดล่อนหลายอย่างให้ยอย่างหนึ่งที่เดือดล่อนหลายเดยี้ยก็คือว่าค่วมประสงบในบางภาคบา ง, บางส่วนของประเทศนั่นมันสุดที่เยงสีเฮดตีแก้งกันมีอะไรบ้าที่โบยูโบเท่าอทต่างข่วมเดือดล่อนต่างข่วมปันควนมีการข่ากันมีการว่างระเบิดกันกันยุ่เรื่อย แจ๊กหีเฮเซียนใดผู้ทีท่ศีลสมากผูกคล้องบานเรื่องเป็นรัฐบาลหนึ่งสีหน้ายากอยู่เล้ยากอยู่ว่าสิตปากยังใดน้อกินแบบบัดทุกแบบุ่งซุกยังใดปฏิเสธยากนึงเท้าวาอบขึ้นมาก้าบึงปฏิบรรัติถ้ำห้องนี้คือกนนารการปฏิบัติถ้ำนี่ก็มันต้องพยายามแม่ไวเทเล่นไว เล้งอันห้าวว่าสีห้าวสีเฮ็ดยังก็พูดชยังอันนี้ย่ำเล้งไว้จัวเช่นว่าห้ามพระพมทธวาหน้าเนี่ยมาทำข้อมสงบนีเพื่อที่ให้คิดใจสงบนคิดใจให้เอาันบ่สงบนคันคิดใจสงบแล้วมันจิสบายไม่สีหฮมสีเย็นเขาเล้งไว้เรื่อยๆแน่เลยเรื่อยๆงั้ น, นแล้วการปฏิบัติมีทํำสมาธิหนีเดินจงกรมนั่งสมาธิคอยจะไปเดินแล้ว นางเขื่อนนางแล้วจนพ่นดานมัดแล้วยางก็เชื่อว่าขาเจ็บขาแข็งไวแล้วมันก็บอเป็นเนี่ยจนมันบริเตนกับยางคือๆเนีการยางภาวนาการยางจงกรมเนี่ยขันยางคือใ้แ่ยางได้ชัวเนี่ยหมาแต่างได้เน่าแต่างได้ขนยางแตน้าแต่างได้แต่ก็การยางจงกรมมันหยุดยางนึงมันต้องเอาใจนตับน้ำเด้ สองหัวท่ายเรื่อยสองขัวซ่ากัญญาจะฟ้องอยู่เรื่อยสองมือเื่อเจะฟ้องอยู่เรื่อยซ้อมอยู่เรื่อยอย่างนี้กันเ่่ัมเนเข้าว่าเข้าเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีแล้วคนก็เฮ็ด่เรื่อยแต่เมื่อเฮ็ดดีเมก็เม่ก็บรรจุบ่ได้เลยองน้กันนี่ยคือจังเข้าเลี้ยวคอนอยู่แล้วเลีวคอนโดบักบวงอย่แล้วเรี้ยวอายุหันบอลแม่บอลแม่บเบิงบแยงมาจะฟ้องเรีวไปทั้งใดเรียวคอยเรีวแหงไปได้ น่าจะตรงนี้เล่นต่ให้มันถือคิดถือสร้างปัญยางดงกลมกันไมควมายางไปยังมากฝาใจจะดูหนีน้าอีกสัมันจะเก็นจงกลมคิดคฉยสงบมันคิดสงบคิดสงบเนี่ยทั้นนดคิดยู่นีแล้วท น, น, นะมันประกอบไปท่วมภาค่วมเทียนมันประกอบไปท่วมอดท่วมนประกอบไปท่วมเอาใจใส่ ปะกอบดืวยมันคิดจะและหน้าว่าอันใดดีอันใดปลดีเอ็นทีเอสไม่แล้วมันดีแล้วบ่อันว่าท่านดีจึงแค่ใช้อันใดบางทีนะนี่มันตกะกอบด้วยหลายอย่างด้วยความมีิจเสด็จภาวนาดคือกันคือกันครับการบริหารบ้านเมืองนี่แหละบมเมนว่าตั้งใจดีแล้วขอมอบริหารชุกสำล่งของเราแล้วต้องดีด้วยกันย่งบงแหวน มันต้องเลขยวาสลัดหอบขอบตุกติดตุกข้างตุกรอบตุกมุมเด้อเอย่างบ้านเมืองนี่ขึ้นกันละเนี่ยบางคนเขามาบางยุคเขาม่าแต่หมั่นใจว่าจะของแข็งกล่าวจะของเข็งแข็งอ๋อแข็งแข็งมาบริหารใหญ่เทิหารเด้เพราะว่าอันนี้มันบริหารคนมันคนเนี่ยโมเมนไ์ไม่โมเนต์เน่าเืินเด้อโมเนต์เราหนัขันหนัดอับกุญแจไปหมุนหมุนหมุนมุนมันออกหมดนั่นมันมันสั่นคน มันก็เม็นของคนน้นเพราะฉะนั้นมาใส่ขวม่ล่า่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่น่่่แต่ว่ า, วกก า, วานนน่ั่่่่่่่่ก่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่อง่่่่่่่่่า่เ่่่่่่่่่ เ, เ่่่่นนกก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่่่่่่ ละต้องเข็ญแข็งนักปกครองนี่ต้องเข็ญแข็งส่องนี่นั่งใจอดทนส่องจักอลุมุนอรุอยลดย้อนคลอตามสมควรเกี่ยวกแข็งกล้า่เลยยังสี่ยังถูกยังได้เองสี่กบบ่บได้เองมันจะส่องเบิงเซียงวะเบิงการละเทศซัก็้อมอกขอดีคือขันเดชอำนาจภาวนาชื่อกันถ้าเสียบมาเบิบงไปเสี่ยหกัง เนี่ยเนุพอดีทำพอดีสังเกตดวงดาจ้าของบกคลองอันใดบุีอันใดนี่เข้าค่อยๆถากออันมั่นบอดีนี่ยได้ผลหลายเด้ยร่างยางมึงเข้าเอาออกทู่เดียวเท่นั้นหละเป็นเทอรานาเนี่ันเป็นบุญกับเป็นบุญใหญ่เลยเด้อนีเดียวเท่านั้นหละะันทิพเจริญนาด้วยนางยูิเนี่ท่องท่องถงบาคดีแล้วทิ่เจริญนาอันแมนันนี่ไปทิพย์ใจก็เปิดเผยอ่นา